เิอ จ, จากการศึกษาเจอก า, จากการถลุงในพระวิชากรรมฐานเป็นการถลุงง่ายๆเครื่องทุนแรงง่ายๆมีสติเป็นฉิขาแล้วถลุงแล้วความโกรธมันยิ่งใหญ่เพราะมีสติมันก็ถลุงออกแล้วความโลภความหลงความทุกข์ต่างๆ ก็มีเท่านี้พระพุทธเจ้าแสดงทรรมากมายแปดพันสี่พันเรื่องมีพระไตรปิดกปิดกแปลว่าตกรล่าไตรแปลว่าสามสามตกระล้าก็าสูตรตันตปิดกสองเหมืน่น สพพระธรรมกขันทุกยีนัสองหมืนสองพพระธรรมกขันพระพิธรรมสี่0มสี่พันพระธรรมกขันเรมแล้วเป็นแปด0มสี่พันพระธรรมกขันพรเจ้าบว่าั้องหมดคขาสอนของเราแต่อมก็ เขากับใบไม้ทั้งป่ามากนั้นใบไม้ทั้งป่าไม่สามารถเทียบลู่ได้ทุกใบทุกอะไรต่งางๆนับไม่ได้แต่พระองค์เอมือกําใบไม้ขึ้นมานี่มีเท่านี้ใบไม้ทั้งหมดในป่ากับใบไม้กับมือของเหล่านี้อันไหนมันมากกว่า ก, กัน ที่ราต้งรอยก็ใ <c oughs> <c oughs> บไม้ในมือพระองค์น้อยนิดเดียวผู้เจ้าก็บอกว่าในหลาะคำสอนของเราทั้งหมดเหมวนใบไม้ตั้งป่าแต่ามาสอนพวกเธอเพียงใบไม้กับมือเดียวเท่านี้เป็นคาถาสั้นๆทุกอย่างเกิดต่เหตุตบแต่เหตุ มันก็าถามอาชกิสอนสาริบทสาริบทอยากฟังเห็นอาชกิเรียบไมยเรียบร้อยหน้าเรื่องสวยหน้าศรัทธาท่านองนี้รู้อะไรมาเนารู้ทำอะไรทำไมจะงดงามอย่างนี้ กลาเป็นครูของท่านนครูของท่านสอนยังไงเนอะถามมาสัชชีสชก็บอกอเรานี้บวชใหม่ต้องบวชมาได้เมื่อกี้นีเองยังไม่มีปัญญาที่จะเทศนาสั่งสอนท่านได้๋ย <c oughs> รีบบวดก็บอกว่าเอา น, น้อยก็พอไม่ต้องมากก็ได้ เากาถาปัจิอิปัจจิก็ตัดลงไปว่าเยธรรมเยธรรมาเหตุปปปวาเตสังเหตุตุถถากรโตเตสังเจยโลโทจะเอวังวาทีมหาสมโนแต่เป็นภาษามาเราพราะตถาคตสอนเราตั้งแต่สิ่งแต่เหตุเกิดแต่เหตุดับที่เหตุตถาคตภาษาจารสมาสุจ้า เป็นศาสตราของเราครูของเราสอนเท่านี้สารีบทได้ตรงตาเห็นทำเลยจะกราบสาชีถือเป็นครูอาจารย์อาชีบอกอย่าเลย <c oughs> ท่านแต่ก่อนสารวบทชื่ออุปติสสะไม่ต้องกลาบอาตมาอาตมาเพิ่งเป็น พ, พระบทใหม่ อ๋อพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเลยทีเดียวเป็นโคลเลยทีเดียวอ ร, ร, ริวุตก็ถามพระสัพพุเจ้าอยู่ที่ใดอยู่โ น, น้นคงเราจะคลื่โ น, น้นใจรบร ก, กร็ไปเข้าพระพุทธเจ้าในน้อยต่อนีใบมือกับมือเดียวอันกมีเหตุ นักก็มีดับที่เหตุอย่างไม่รู้จ้าตัดชั่วโล่อะไรสัตว์สี่ทุกไม่สมุติทัยไม่โลดมักสี่ข้อนี้เหมือนกับมีเหตุมีผลสองอย่างทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนักเป็นเหตุโลดเป็นผลไม่เท่าไง ทำมันนี้สิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็มันก็มีเหตุมันจึงไม่หลงก็ไม่หลงก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นการกระทำทำอันเดียวรู้อันเดียวง่ายๆเรี <c oughs> ยกว่าใบไม้กับเบื้องเดียว ถ้าจะไล่ถึงการสอนมีมากมีพระบางลูกพะบวชเข้ามาก็าสอนเรก่งนั่นเรื่องนี้แลว้วก็สอนก็ไม่มีปัญญาที่จะรู้ได้ทั้งหมดจำยากง่ายใจแับแช่ใจไม่สามารถที่เรียนรู้ได้กลัวเป็นบาปนี่พี่ชายเป็นคนสอน พี่น้องกันมาบวดน้องชายเป็นคนปึกหนาสาหดสอนเลยก็ไม่จำพี่ชายก็อายเพื่อนเล่ยน้องชายศึกซะหลายเพื่อนน้องชายก็ร้องไห้ไปเผ้าพระเจ้าว่าพิชายเล่ยึกทำไมจึงเล่ยศึก ก็เรียนยังสื อ, อยากสอ น, นเลยก็มาค่อยจำไม่มีปัญญาไม่มีสมองทุกเจ้าก็ต้องบอกว่าจะเรียนลายไม่ต้องเรียนมากดอกก็เลยทิ้งผ้าขาวขาวให้ผืนหนังเท่าฝา่ามือเนี่ยให้มาให้ปัญละเนี่ยรูปอยู่นะโจหลันังะโจหลันนังะโจหลันัง เขารวบผ้าอยู่เรื่อยๆผ้าจากผ้าสีขาวเข้ากลายเป็นผ้าสีดําไปเลยก็เลยมาเข้าใจโอ้จิตของเราเนี่ยมันไปสัมผัสกับไรจนเป็นกิเลสตัณหาหละคะเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเพราะมันสัมผัสไม่มีสติก็เลยเข้าใจบรรลุธรรมเลยเท่านี้ก็ได้บรรลุธรรม จะประชิตยากเกินไปบางทีในสมัยข้าพุทเจ้าในเอหิภิกขุประสมบัติทานบวชใหม่เพียงแต่ตัดว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดแต่วินไหนเราตัดไว้ดีแล้วท่านจงพื่อปุพุธ เป็นผู้พืชทำไม่ในนั้นให้เป็นที่สิ้นทุกเถิดถ้าเจ่านี้ก็ได้ปฏิบัติธรรมกันถ้าผู้ใดบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพระเจ้ญญาก็ตรัสดอนจงเป็นผู้พืชรำนั่นเถิดตะพืชตามทำนั่นเถิดถ้าผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมก็จงประพืชตามทำ น, นั่นให้เป็นที่ที่สิ้นทุกเถิด <c oughs> อย่างนี้เราก็หลีกเข้าไปในป่าโน่นคนไม้โน่นลวนว่างโน่นลมฟางโน่รรมไม่มีกติเปเบอร์หนึ่งเบอร์สองสองหนึ่งสองสองเหมือนวัดอยู่ที่คนไม้ไปเลยนี่คือการศึกษาของเราอย่าไป อย่าไปคิดว่ามันยุกงมันยากเวลามันหลงรู้จึกตัวมันยากอะไรไล่โยงยีากก่ากขวัวยากกวาวไล่โยงมือนกัดต้องไล่ยยงมีมือมีผ้าแต่ว่าไม่ต้องไล่ก็ได้อยู่ในมุ้งซะ <c oughs> มีสติเหมือนมีมุ้ง นอนฟังนอนในยงงนอนในมุงฝังเสียงยุงมันบินรอบมุงมีสติเหมือนมีล่มในมือเวลาฝนตกก็กลางลมเวลาแดดออกก็กลางลมมแดดก็ไม่ร้อนฝนก็ไม่เปียกมีสติเวลามันหลงรู้ไม่เปียกด้วยความหลงเวลามันทุกข์รู้ไม่เปียกด้วยความทุกข์ เรามองโกรธรู้ไหมไปเลยด้วยความโกรธเหมือนมีล้มในมือแถวนี้ก็พอใช้แล้วแต่ว่าต้องมีสติต้องฝึกให้มีต้องหัดต้อมีต้องฝึกกนเดงให้มีไม่ใช่เรียนรู้ส ต, ติคือความเลือกได้สมรชัญญะคือความรู้ตัวไม่ใช่ไม่ใช่คําพูดทัองการสัมผัสทั้งกายทั้งวิจาทั้งใจเราหลวงตาเคยพูดว่า เอากายมาจุ่มเอาความรู้สึกตัวเอาใจมาจุ่มเอาความรู้สึกตัวแตแรกก็เห็นเป็นกายเป็นใจเมื่อมีสติเห็นไปเห็นมาเห็นเป็นรูปเป็นรามมันแตกฉานได้ถ้าเห็นเป็นกายเป็นใจมันเป็นตุ้นเป็นก้อนมันจนง่ายถ้ร้อนก็เป็นความร้อนถ้าหนาวก็เป็นผู้หนาว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 ไม่ใช่คิดถามันเจอต่อหน้าตาต่อตากันหลงเกิดขึ้นก็ลูกลก็เลยเห็นอันเดียวเห็นอันเดียวก็เลยํำนานเห็นว่าเนี่ยเป็นลูกเป็นธรรมชาติเป็นอาการกลมลอนเป็นอาการของกายไม่ใช่ตัวตน ความหนาวความปวดความมื่ยเป็นอาการของกายของรูปกายไม่เป็นรูปมันไม่มันไม่เป็นของใครมันไม่มีใครเป็นใหญ่มันได้อันเรื่องของกายเรื่องของรูปนี่มีธรรมชาติมันมีอาการของมันตําความเป็นจริงเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปไม่มีใครห้ามมันได้ รูปเนี่ยเห็นเป็นรูปอันเป็นรูปจริงจริงไม่เป็นของใครเราความรอดมาเป็นเราเราความหนาวมาเป็นเราเอาความปวดความเจ็บอะไรความทุกข์ต่างๆมาเป็นตัวเป็นตนอันนั้นไม่ไม่ใช่เห็นรูปมันเป็นกายมันเป็นตัวเป็นตนได้ง่ายเรามีสติเห็นไม่เป็น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 เห็นเดี๋ยวนี้รู้เดี๋ยวนี้ทำได้เดี๋ยวนี้ปฏิบัติได้เดี๋ยวนี้อย่างเนี้ยเอาใจมาจุ่มเอาเวลาได้มันหลงรู้อย่าให้ใจพาไปเป็นสุขเป็นทุกข์หาคำตอบจากความคิดได้เหตุได้ผลจากความคิดตัดจริงใจทำตามความคิดความรักก็เกิดจากความคิดความชังก็เกิดจากความคิด มาชี้กลิ่นมาลักกอดลักปล่อยบัญชีกลินมาโกรก็เกียดชังกันไปอย่างนี้ไม่ใช่เราเห็นใจใจมันบริสุทธิ์อยู่อันความแล้วความสุขความทุกข์มันมาที่หลังไม่ใช่ใจเห็นว่าเป็นนามธรรมมันเป็นรูปเป็นนามจริงๆเท่านี้มันสรุปลงเท่านี้ไม่ใช่กิเลสปัญหาทศนาลอยแปด ถ้าเห็นเป็นรูปเป็นนามันย่อมันกรรมือเดียวจริงๆล้วก็เห็นต่อหน้าต่อตาเรานี้ใครก็ตามไม่กายมีใจเหมือนกันจะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็ น, นงมันสาวเหมือนกันหมดแต่ถ้าเรามีสติดูมันสนุกสนุกหลงจะได้รู้สนุกรู้จะได้ไม่หลงอย่างเนี้ย มันก็เปลี่ยนได้จริงๆนะเปลี่ยนทันทีหักด้ามผ้าด้วยเข่าก็ได้ถ้าเรามีความสามารถน้อแตาไปสอนอยู่ที่นิวยอร์กเปิดโคด อ, อย่างนี้แหละปฏิบัติทำกันล <c oughs> ันก็ลำบากกว่าเราเนี่อยู่ที่นั่นมันหนาว มีห้องสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอย่างนนก็นั่งเพียงฝาเพียงฝาบ้านเขาเขาก็ทำเพื่อการนี้โดยตรงมีผมปูมีเบาะนั่งกลมๆดีมากไม่เหมือนอย่างนี้อจอแบบให้ต่อชุดตัวโจเต้ ยังไม่ได้ทํำเลยขออ้อตาไปก่อนต้างมีกลมๆทํำไมาจาึงมีแล้วก็มีสองอันคนหนึ่งก็นั่งนั่งแล้วก็อันหนึ่งก็เพียงหลังใส่้านั่งเป็นสามสี่ห้าชั่วโมงก็ได้เพราะถ้านั่งมันไม่มีทําให้หลังโคตรหลงหงอเดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทโรงงานเขาทาที่นั่งให้มีคนให้หลองตามาหลองตาก็เวลานั้น เอวไม่ดีเอวหักไปยกไม้กระดูกคนโคตรก็ควรจะต้งเก้าอี้ให้นั่งคนหลังแม่มคนนึ่งมาทําเก้าอี้ให้ให้นั่งก็ถือมาใช่เดี๋ยวนี้แล้วนั่งอยู่ในเต้นทุกวันนี่ไปดูก็เลยเนั่งแข่งกันกับคนหนุ่มก็ดอกก็มีส า, ามีพัญญาหนุหน่มๆทั้งคู่ ลงหัวลงตาหักรำพาเห้วยเขานะที่พูดมัจจีใช่ไหมหักยังไงเวลามาปฏิบัติกัมาสามีปัญญากันมาเมียสาวผัวหนุ่มสามีแต่ว่าเป็นหนุ่มก็ถ้าทางเป็นผู้ใหญ่มากก็ขมหลาพ่อสุภาพปุหลดุดแต่ปัญญางอนงอนเวลามาปฏิบัติอาทิตย์หนึ่ง ชวนสามีกลับบ้านเอานั่งปฏิบัติทําไปก็อ้อนสามีพากลับบ้านไม่สู้ <c oughs> สามากีก็ชวนให้อยู่ก่อนอยู่ก่อนอเจ็ดวันเท่านั้เองถ้าไปมาก็ชวนไปก็ไม่ไปละหลังตาก็าเห็นนั่งอยู่หลัตงตานั่งอยู่ตรงเขาก็นั่งกลาง ไปมาในในเย็นวันนั้นปัญญาลุกหนีไปเลยลุกหนีไปในความมืดมันหนาวมากนะก็มีคนนั่งอยู่มอเห็นปัญญาเขาก็ลุกตามไปหอไปหตอตามไปในความมืดไม่เห็นปัญญากลับมาหาดวงตามาลงไอ้ฟังไม่มีปัญหาแล้ว ว่าวันยาผมออกอย่างนีไปในความมืดผมตามหาไม่เห็นอะไรผมจะทิ้งมันผมไม่เอาเดี๋ยแล้วพามาดีมันไม่เอาดีเอาแต่ใจมันแล้วมานนี้ไหมแค่มาเร็วมาแล้วมาทําความดีพามาทาดีไม่ทําดีด้วยมันไม่ได้ทิ้งมันไม่เอามันน้องตางก็หยุดก่อนทาใจดี ด, ดีดีแล้วคนเนะ่ะ <c oughs> เป็นผู้ย่อย มันไม่หนีไปไหนดอกมันมืดมันหนาวมันจะไปที่ไหนได้มันอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวๆมันก็มานะอาารย์ก็บอกให้คุณนั่งอยู่นี่แหละถ้ามันก็มาคุณต้องเอามือโอบหองจูบมันเิดหน่อยก็ได้มันโกรธแต่เราใจดีจูบแย่มันเล็กหน่อยมือรูปหลังงานเขาบอกมานั่งใกล้ๆ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 เอออ่นตเกวดเขาก็ทำเขาก็ทำมาล่องตามเกี่ยแย้มมึงอุ่นร้อนควบกันเบาๆทงสอนเมียนั้งยกมือส้างจังหวะทั้งาชวเมียท่างจังเอาไปเมียก็อยากหน้าบัวก็ค่อยบาลขึ้นบานขึ้นมาขึ้นดีดีขึ้นมาแย้มแ้มเฉยเฉย พันต่อมาก็มาหาลุ ง, างตาตั้งคู่ฉันไม่ความสุขเอาแต่งการงินมาหลายปีไม่เคยมีความสุขเท่านี้เลยอะไรก็เข้าใจลอบลื่นไปทั้งหมดต่อมีก็ยิ้มยิ้มมันยาเป็นคนพูดความร้อยเป็นความดีเวลาเขาโกรธเราไม่โกรธ ทำได้ทุกคนเวลาเขาทุกเราไม่ทุกเวลาเขาหลงเราไม่หลงคนอื่นก็ยังช่วยได้แต่เรานี้มันอยู่กับเราแท้ๆก้อนหลงมันขี่ช่างขี่เมื่อม า, มาไหมมันไม่มีมันเกิดขึ้นที่ตาที่หูที่ใจเราวันที่รูปที่นามเนี่ยมันก็มีรูปมีนามเนี่ยแลาวทำไมจัง เอามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่กันไปสตินี่มันใหญ่ที่สุดแล้วลองตอ น, ตอ น, นพูดไปเลยนะอ ะ, อะไรสติเหมือนช้างไปเลยนะขี้เล็ดเหมือนหมาไปเลย <laughs> อออสติเหมือนนกเงินชีนี่บัวน่าทนำะเหมือนมาแรงนิดหน่อยนกเงินชีต้องจับมาแรงได้ ทำไมจะใหมันใหญ่กว่านอกอินทรีละ่ะมันเกิดทีหลังลู่ทันตทีลู่ทันทีอย่างไง น, นี่คือเปลี่นรลายเป็นดีหรือว่าปฏิบัติธรรมมันเต็มชิ้นที่ทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่นี่ในช่วงนี้ก็ฝนตกมันเียงน้อยไปถ้าอยู่ประเทศอื่นไม่เหมือนที่นี่เนาะเขายังสู้ได้ เวลาเขาเดินออกจากห้องไปเขาวิ่งนะเดินไม่ได้โก้โก้เหมือนบ้านเราที่นี่ไม่ได้พ้าขมหัวแล้วก็วิง่งจะขึ้นรถเดินออกจากห้องวิงลงลว่งขึ้นรถลงรถก็วิ่งคข้ามาในห้องเป็นอย่างนี้ประเทศตัวเฉพาะสหรัฐเหนือแถบที่ตะ ว, ว, ว, วันออกแถวมอชตันแถวนิวยอร์กแถว เราเดนเวอย์ Island, ลองไ้เลนลอนดาไปทั่วทุกภาคเลยสอนทำเยีย yeah. ล้ำบากขาก็ยังสู้ได้อันเราเนี่ฝนตกเท่านี้ก็อ่นอนแอใช่ไเวลาแล้วแล้วก็ลุงตาก็ยังหนุ่มเนาะเหมือ น, น, นอัจารย์จงศิลป์เสยร์ฟไว้ก่อนนั่งมีเวลาแม่นยา ม, มากเขาใช้เวลาเวนั่งสอนกรรมฐานก็นั่งในห้อง กำหนดว่าสามช er er er <c ười> ั่วโมงผ่านไปตีกดกิ้งกเรากดติงติงดื่มน้ําชาน้ําชากอยู่ในห้องข้างๆแววน้ําชาไากดออเรากดเรากํานั่งเรามานั่งแล้ให้ให้ให้พูดเลยแต่เดิมมาสามชั่วโมงเนี่ย ใคมีปัญหาอะไรพูดออกมาปัญหาที่หนึ่งคนพูดน้องคนพูดน้องพูดพูดไปไปก็ให้ล่ามเขียนไปเราพูดหลอยก็พูดหลอยเราก็พูดจบทุกคนแล้วก็มาจะลยก็เลยปัญหานี่หนึ่งก็าถามนี่เขาเมียนี่ก็าพูดไปพูดจบไม่เกินพักไม่เกินหนึ่งชั่วโมง เรหมดเวลาไม่ต้องทำเนีกดเด้งกิ้งเริ่มดก ม, มือซ้นั่งเวลาชินข้าวเวลาชิมข้าก็กดเด้งกิ้งเดินลงออกแทนที่ไปห้องอาหารของตาต้องเดินก่อนเดินก่อนก็ไปห้องอาหารสองตาก็ตักอาหารทุบเฟ้เหมือนเราอย่างเด็ดอาหารจิมมานั่งมานั่งโต๊ะ แล้วพ็กินเข้าแล้วหลวงพ่อน้องหลวงตามาให้ลูกนั่งก่อนหลวงตาจะยืนพูดจังหนอเวลาบ่ายโมงไปพบกันเด็กเดี๋ยวนี้ไปล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวถึงเวลาบ่ายโมงก็ตรงเวลาปิ๊บปิ๊บท่า้องเดี๋ยเจดวันอยู่เนี่ยสู้ก็หลังบางคนเนี่ยเขาไม่ ไม่มัลยากมันเรานะเป็นวาเิกาน้องตานั่งอยู่เนี่ยนั่งมันยังนอนอยากนอนก็นอนเลย <c oughs> นอนไม่นอนทำไงหันขามาทางเราด้วยกลว่าคนจะแก้งเราก็จะถ่ายภาพมาเหินเสกานอนขามาทางเราหลวงตาก็ค่อยค่อยลุกเดินเดินน้อ ง, มมอ ง, ม ง, งไม่มาแม่แมเยอะแล้วไมกลัวเขาไม่มีมรัรยาดมันแล้วอย่างพลังคน เขาเมียคนนี้เวลาเขางง น, นอนมาคนหมุนเขาของสามี <laughs> นอยเลยสามีก็พูุกันก็มาตั้งเวล า, าอ้อิจฉ ะ, ะมากเพราะฉะนั้นน่ยอย่าไปกลัวความยากลำบากความยากลำบากทำให้เราเชื่มแข็งความสะดวกสบายทำให้เราอ่อนแรงฉันไม่ต้องไปิบัติอะไร <c oughs> ไม่เห็นไม่รู้อะไร อย่าไปคิดอย่างนั้นนลวงตาไปสอนชเชงกรโปนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึง่งเวชิกาคนนึง่งฉันไม่เห็นมีทุกข์อะไรเงินเดือนก็เยะบ้านก็มีอยู่ข้าวก็จะกินเกินอะไรก็ได้ยายพี่น้องอบอุ่นไม่เห็นมีทุกข์อะไรขึนเอาอะไรมาเป็นความสุข มีเงินมีความสุขหรือมีงานทํามีความสุขหรือมีบ้านมีข้าวกินมีความสุขไม่ใช่เป็นอามิดนั่นเองสุขอามิตรถ้าเขาใดที่เธอจะทุกข์ใจอะไรละ่ะอะไรเป็นอาหมิดเกิดเจเจ็บปาคุณทํางานคุณเคยโกรธไหมเขาว่าโกรธแล้วกันเวลาเราโกรธหรอเอาเงินไปจ้างให้มันหายโกรธได้ไหม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 เราในแถบสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินเนี่ยน้องตาไปหมดช้อนทองในแถวนี้มันเป็นหมู่เกาะไปไหนก็ถือล้มเลยฝนตกฟ้าไม่ร้องไม่มีลมพัดไม่มีอะไรเลยเวลามันตกก็ตกลงมาจ้าจคนที่อยู่แถบนั้นต้องถือล้มกันทุกคนเหมือนพวกเราที่อยู่ทึ่ไปทางไหนต้องมีล้มในมือเหมือนมีธรรมะในมือ ไม่ก็อย่าเอาอะไรมาทดลองเลยเอาความแก่มาทดลองเอาความสุขอะไรมาทดลองยิงอามิตรถึงบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงที่นอนที่มุ้งที่อะไรต่างๆเราเคยจะดกสบายมานั่งอยู่นี่หลังขดหลังงออยู่นี่ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรอย่าไปยึดแบบนั้นต่อไปพูดถึงตัวมจัจจุบนนีสู้ศีลธรราไม่ได้เจ้าผ้าชายจีลธรรม มีบ้านประสาทจำระดูก็ยังมีการบ้านเกิดเจ็บเจ็บตายนี่เป็นเรื่องที่เป็นการบ้านของเราพอขาดบาตายเราต้องเกะต้องเจ็บ ต, ต้องตายเราต้องมาลูเรื่องนี้ให้มันเฉลยเรื่องนี้ให้ได้จนเข้าถึงเห็นรูปเห็นน้ำเห็นอาการของรูปเห็นอาการของน้ําตามก็เป็นจริงจนเห็นว่าไม่เป็นกับอะไรกับอะไร นั่นแหะคือที่สุดแห่งทุกข์หลงต่อเลยเขียนไว้ป้ายนะไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยทีเดียวมันเป็นได้หรืออย่างที่เรามันหลงเป็นผู้หลงหรือเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงไม่เป็นผู้สุขไม่เป็นผู้ทุกข์ให้มันไปอย่างนั้นะจึงมาเห็นมันเห็นมันรู้มันเห็นมันก็เริ่มแยกไปเริ่มแยกไปนลยเพราะมันหลงเห็นมันหลงเพราะมันทุกข์เห็นมันทุกข์มันร้อนมันหนาวมันปวดมีไหมไม่ใช่น้อยเดี๋ยวนี้หิวข้าวไหม เห็นเป็นผู้หิวหรือเห็นมันหิวบางทีก็รูตรงนี้ไปออกแยกไม่เป็นไรเป็นกุ้มเป็นก้อ น, ปนไปเลยอันนี้ไม่ได้นั่งปฏิบัติธรรมหน้าพูดพูดเขาหยุลองตอถามเป็นยังไงหนูอันนี้แย่เลยไม่ไหวทำอะไวเรา มันเครียดคิดมากง่วงก็ง่วงอตอบจากนี้ไม่ได้นักกรรมฐานไม่ต้องตอบจากนี้จะตอบไงมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> อ่ะเหรออมันก็เครียดเนี่ยมันง่วงมันอ่คิดอะไรฟุ้งซ่านไปหมดแล้วโหนี่อารมณ์มาคดี เอาอะไรเอาเอารมมาเป็นตัวเป็นตนทันั้นก็นมาถามก็ไม่ตอบแบบนี้ดอกเอาตอบใหม่ตอบใหม่ตอบใหมาหองตามันเลยสอนแบบนี้ให้เห็นมันมันคิดก็เห็นมันสุข ก, ก็เห็นมันทุกข์ก็เห็นมันเครียดก็เห็นมันสงบก็รู้มันพุ่งสร้างก็เห็นมันหลวตาส อ, อนอย่างนี้นะรำ ต, ตอบมาตอมา โอ้ยตอบมาอย่างวันนี่หนูเห็นมันเครียดเอออย่างเนี้ยตอบอย่างนี้เห็นมันง่วงเออตอบอย่างนี้เขาก็บอกว่าเขาเห็นมันเครียดหน้าตาก็ค่อยๆไม่งอกไม่งอนมาก็เราขึ้นมาสำใจขึ้นมาเพราะนั่นเราแยกไม่เป็นเรื่อยทะลุงไม่เป็นย่อยไม่เป็นเอาความเครียดมาเป็นตัวเป็นตนเอาความง่วงมาเป็นตัวเป็นตน อย่างนี้มันใช่ไม่ได้จึงต้องฝึกตนสนตนคือโอกาสในขณะที่มันไม่ใช่จิตินะ่ะเป็นโอกาสที่เราเรียนรู้มันหลงก็ดีจะได้เห็นความหลงมันทุกข์ก็ดีจะเห็นความทุกข์เราทํากับความทุกข์อย่างนี้ ท, ทําทีใดมันรู้อย่างนี้มันก็หมดไปหมดไปมันก็เหมือนกับาเรา ผ่านไปผ่านไปเอาไว้หลังเอาไว้หลังเหมือนเราเดินทางจากบ้านหนึ่งไปสู่บ้านหนึ่งเอาเ้าบ้านหนึ่งไว้หลังเลยไปเลยไปก็มีจุดหมายปลายทางผ่านความหลงผ่านความทุกข์ผ่านความอะต่างๆผ่านไปผ่านไปผ่านไปเรื่องมักมักไปว่าดูเนี่ยมักไปว่าดูเนี่ย ไม่ใช่ไปท่องสัมมาทิฏฐิสัมมากรรมตระสัมมาอาชีวาสัมมาวายมะสัมมาอะไรต่างๆสัมมาสติสัมมาสัิธนะิอนจะเป็นอีกเด่งต่อตอนที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันต้องมีความรู้ก่อนเป็นกำเนิดเป็นมันดาของปัญญาความหลงเป็นมันดาของอวิชชาแล้วก็แยกกันตรง น, นี้นะ อวิชชากเกิดสังขารสังขารเกิดนามลูกนามลูกเกิดยตนายานตนาเกิดปัจจกกตะเกิดเวทนาเวทนาตนาวิธานภพชาติมลามมรณะเนะกิดเจ็บดตายไปหรอนอวิชชาคือความหลงว่ามีวิชชาสังเชลามนะไม่มีเกิดมันก็ต่อมาถวนมาลื้อมารื้อมาเรื้ออนุหลงปฏิหลมอันนึงไปอันหนึ่งมันกลับมาปกติปกติเนี่ย มันต้นต้นที่นี่ต้นเด็มีสภาวะที่รู้มีสภาวะที่หลงไม่ามากถ้ารักษาชินก็เอาตัวรู้ตัวเียเป็นชินเลยเป็นชินเลยเลยถ้าไปควบคุมอวัตนะทั้งหมดมันเหมือนจะปูจะกระด้งมันไม่เป็นอย่างนั้นมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เลื่อไปเลยสำมวมปฏิโมกไปเลยตาวูจะบกดินไปเลย ขนาดนี้นะหรือกว่าพลังเป็นพละพละห้าศรัทธาวิทยะสติสมาธิปัญญาเนะี่ยเป็นจัดพละพละเพื่อทาความดีได้สำเร็จหล้วเอาไหมวันนี้เนาะ <laughs> สมควรใจเวลากราบพระพ่อกัน